ลกะได้เป็นวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอําลาเพื่อเดินทางต่อไปอยังนครราชฤก์เพื่อเยี่ยมญาติและศึกษาพระธรรมเพิ่มเติมจากสํานักพระเทวทัตตมหาเทระฝ่ายจุลพลก็เกิดอยากจะไปกรุงราชฤกษ์ขึ้นมาบ้างจึงได้อําลาเดินพาไปกับวินทุกกะดีแล้วที่เขาเปลี่ยนใจ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 ก็มาถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำสุรสวดีเห็นทีจะต้องพักค้างอยู่ที่นี่สักคืนแต่นับว่โชคไม่ดีเลยบนสาลาที่พักคนเดินทางมีคนพักอยู่ก่อนแล้วจนแน่นขนัดหาที่ว่างไม่ได้เลยทำยังไงดีละ่ะ สักนิดเพงท่านท่านสมณะต้องการอยากรู้อะไรนอกจากสาลาที่พักแห่งนี้แล้วยังมีสถานที่อื่นที่สมณะพอจะอาศัยพักค้างคืนได้บ้างไหมยังมีอีกแห่งหนึ่งท่านพักได้แน่นอนแต่อยู่ไกลาจากที่นี่นะไกลแค่ไหนก็บอกมาเถอะอัต ม, มาคิดว่าไปได้จากที่นี่ไปทางทิศเหนือจะมีอารามหน้ารื่นรมแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัญญาสี สัญญาสีเป็นใครเป็นผู้สละเพศคาวาสออกหาความสุขสงบใจในบ้่นายของชีวิตอาตมาจะไปพักที่นั่น สัญญาสีเป็นสถานที่น่ารื่นรมจริงๆซะด้วยเป็นเดินทรายงดงามต้นมะม่วงขึ้นเป็นป่าทึบ ก, กิ่งและใบติดกันเป็นหลังคากระท่อมเล็กๆของพวกสัญญาสีตั้งอยู่เป็นระยะในระหว่างต้นไม้อ๋อเห็นสัญญาสีคนหนึ่งแล้วกำลังนั่งบำเรอไฟด้วยไม้จันอยู่หน้ากระท่อมเข้าไปถามไถ่คนผู้นี้ดูดีกว่า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 แล้วจะให้ข้าพเจ้าพูดกับใครล่ะท่านต้องไปพูดกับสัญญาสียมทักเนยน่งยูนาก้ทอมโนนนหวังว่าท่านคงเห็นท่านผู้นั้นเป็นใครเป็นหัวหน้าของพวกเราเข้าพเจ้าจะไปหาท่านผู้นั้น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 ท่านเป็นใครมาจากไหนข้าพเจ้าสมณะสกยาบุตรเดินทางมาจากกรุงราชฤทธ์ตั้งใจจะขออนุญาตท่านพักพ่อนในอารามนี้สักหนึ่งราตรีก่อนจะออกเดินทางต่อไปท่านพักที่นี่ไม่ได้ท่านไมให้ข้าพเจ้าพักขเากขาแล้ว เพราะอะไรท่านเป็นนักบวชทายโลกเป็นสิทธิของาศาสนาต่างองค์ไม่สามารถจะพักที่ที่ได้ขอเชิญท่านหลีไปแสวงหาที่พักแห่งอื่นตามพระสงค์คือท่านนักพรตแม้ข้าพเจ้าจะเป็นนักบวชในาศาสนาอื่นข้าพเจ้าก็เป็นนักบวชผู้ศรัแล้วซึ่งโล ก, กีเยวิสัย สแสวงหาความสงบสุขใจเช่นเดียวกับท่านวัวก็ย่อมไปสู่ฝูงวัวช้างก็ย่อมไปสู่ฝูงช้างสมณะก็ย่อมไปหาสมณะเป็นของธรรมดาขอได้ตวรวจอนุญาตในข้าพเจ้าพักด้วยเถิดท่านผู้ทรงครสพร่พ่อนนี้ก็จวนจะคําอยู่แล้วไอ้ราวเขาเรามีกดอยู่ว่าจะไม่ยอมให้นักบวชทายนอกเข้ามาพักอาศัยไปงนั้นขาด อัน ญ, ญาสีผู้เป็นประมุขอารามแห่งนี้ในอดีตได้บัญญัติข้อกดนี้ไว้เพราะอาศัยสารติที่ได้ฟังมาจากพระพรมผู้เป็นเจ้าของเราอีกต่อหนึ่งเพราะเช่นั้นกฎข้อนี้ถึงไม่ใช่กฎของมนุษย์แต่เป็นกฎของพระพรมผู้เป็นเจ้าที่เดียวพ้าพเจ้าได้ทราบ ม, มาจากพระเวทอันเก่าแก่ว่า พระพรมผู้เป็นเจ้าทรงเปนเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงอยู่ชั่วนิรันดรนไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สิ้นสุดทรงเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงอย่างนั้นจริงหรือไม่เฮ้ยจริงที่เดียวสมนะท่านข้าถไทยครูต้องแล้วพระพรมผู้เป็นเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงรวมทั้งมนุษย์และกสัตรวมทั้งชาวปเจ้าและกทฏนทุกค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 ไม่เคารพนับถือองค์พระบิดาถึงไม่้มควรจะได้อยู่อาศัยในอาหางของพระองค์ท่านอาศัยเหตุผลอะไรจึงยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นลูกในระคุณไม่เคารพนับถือองค์พระบิดาก็ท่านเป็นพระสมณะสากยาบุตรสาวกของพระสมณะโคดมไม่เหรอถูกแล้วข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระสมณะโคดม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 พระพรมเป็นเจ้ายิ่งใหญ่และล้ำลึกเกินวิสัยมนุษย์จะเข้าใจได้พระองค์สร้างความดีแต่พระองค์ก็ทรงสร้างความชั่วขึ้นมาเป็นของคู่พระองค์ทรงสร้างรักปราดแต่ก็ทรงสร้างมหาโจรขึ้นมาด้วยพระองค์ทรงสร้างคนที่เคารพบูชาสันเสริมพระองค์ แม้ก็ไม่ไหวที่จะสร้างคนบางคนขึ้นมาเพื่อให้ดาพระองค์เองข้าพระเจ้าไม่เข้าใจจริงๆเอาละท่านสามณะไหนๆท่านก็เป็นบุตรของพระพรหมเหมือนกันแม้จะเป็นนักบวชนอกศาสนาก็เป็นไปตามบรรดาลของพระพรหมรับบวชท่านได้ปฏิบัติตามความมุ่หมายของพระองค์เหมือนกัน ข้าพระเจ้าจะอนุญาตให้ท่านพักในอารามของข้าตามประสงค์ทั้งด้านรู้นะ่ะมีกระ่อมวางอยู่หลังหนึ่งเชิญท่านไปพักพนตามสบายเถอะขอบใจท่านผู้ทรงพร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 ผูคเทวดาผู้อาจจะสิงสถิตหยุดที่ป่ามะม่วงแห่งนี้ตลอดถึงสันตะนิกายทุกหมู่เหล่าในสามพบและเอ็นตัวลงนอนทันทีก็ต้องสะดุ้งสดุดลุกขึ้นนั่นที่หน้ากระท่อมม่ใครคนหนึ่งเย็ยนอยอู่นึกว่าใคร ขันธส่งเพราะนั่นเองเชิญท่านยังไม่นอนใช่ไหม ย, ยังท่านมีอะไรเหรอข้าพระเจ้ายังติดใจคําพูดของท่านตอนมาขอพักอาศัยอยากจะขอสนทนาประสัยด้วยจึงมาพบกับท่านอีกครั้งหนึง่งข้าพระเจ้ายินดีที่จะสนทนากับท่านเหมือนกันนานๆจะได้มีโอกาสพบ และสนทนากับนักพรนผู้เจริญด้วยวุธิและวิทยาวุธิอย่างทันแม้เราจะแตกต่างกันโดยเพศพันธุ์และาศาสนาแต่เราก็เป็นสมณะผู้เว้นจากบาปอากุศลและภาวะกังวลทางโลกีเหมือนกันท่านมีอะไรจะสนทนาใต่ถามข้าพเจ้าก็เชิญถามเถอะขอบคุณท่านแกการครองการสาวะพัสของท่านข้าเพเจ้าพอจะทายได้ว่า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 ถ้าท่านไม่ขัดข้องข้าพเจ้าอยากจะถามปัญหานี้ในลทัทธิของท่านเพื่อปรึกษาเปรียบเทียบกับลทัทธิของข้าพเจ้าเฮ้เ้เชิญท่านถามตามสบายท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ายินดีจะสาะขยายให้ฟังตามความรู้ความสามารถขอบคุณท่านผู้ส่งพลปัญหาแรกของข้าพเจ้าก็คือ อยากทราบบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่านเองท่านสละคารวาสวิสัยออกดํารงชีวิตบริสุทธิ์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นานมากทีเดียวตั้งแต่ขมับเจ้ามีอายุสิบหกปีแล้วตอนนี้ล่ะเออะพนายุเท่าไหร่แล้วขมัพเจ้าก็แปสิบแล้วขมับเจ้าอยู่ในสมณเพศมาแล้วไม่ร้อยกว่าหกสิบปีข้าอาจจะแปลกใจว่า ทำไมขเจาวิงสละโลกตั้งแต่ยังลงนลมโนหินนั้นเพราะตามปกติกุลบุตรจะออกสู่สมณวิสัยก็ต้อเมลลื่อลวงเข้าไว้คลามีพันยาและกบบุตรสืบสกุลเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วตามหลักของพระมนุบุรุษจะต้องผ่านระยะทั้งสีชีวิตมาก่อนอะไรบ้างสีชีวิต ผมมาจารีขันหัดวันปัดและก็สัญญาสีแล้วทำไมท่านจิงไม่ทําให้ครบละ่ะข้าพเจ้าเป็นคนวันณะาพราบจึงกระโดดข้ามระยะขันหัดและวัปัดมาสัญญาสีเลยและเหตุใดท่านจิงละคารวะตระเตรหนุ่มน้อยเพราะมีเหตุหน่าเศร้าใจเกิดขึ้นในชีวิตของข้า พ, พเจ้า เหตุนั้นคืออะไรที่พระเจ้าเบืองบนลงโทษหมู่บ้านของเราโดยส่งผูดผีปีาศากร้ายลงมาฆ่าชีวิตมาดุบิดาและก็ามารดาข้พาพเจ้าได้ทิ้งแกมรณะกรรมในเวลาไร้ลียกันยังความเศร้าความสเสวทสลดใจและความเบื่อหน่ายโลก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 ข้าพระเจ้าไม่รู้จริงๆเพราะไม่เคยเรียนมาก่อนเอาเถอะเอาเถอะเมื่อท่านไม่รู้ข้าพระเจ้าก็จะเล่าให้ฟังข้าพระเจ้าพร้อมจะรับฟังอยู่แล้วเมื่อตัดสินใจสละโลกแม่นอนแล้วข้าพระเจ้าก็ไปหาครูผู้ประกอบพธิธีและเชิญพรามในหมู่บ้านและใกล้เทียงมาเป็นสักขีพยาน ขบเจ้าต้องเตรียมผ้ากาสาวพัด ส, สีเหลืองแก่ไว้สิผืนสิผืนสำหรับตัวเองครออีกหกผืนให้เป็นฐานแก่พราหมณ์ต้องเตรียมทำไม้เท้าไม้ไผ่มีเจ็ดคอยาวเท่ากับความสูงของขพะเจ้าสำหรับติดตัวไปผู้แข่งโหนเตรียมหาหนังเสือดาวเสือเหลือง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 ข้าพเจ้าก็จะถามปัญหาสำคัญเลยทีเดียวคืออยากทราบว่าจุดประสงค์สูงสุดในลทัทธิของท่านคืออะไรคือการทิศอัตมันของแต่ละคนเข้าไปรวมเป็นอันนึงอันเดียวกันกับอัตมาตใจหรือปรมาตมันแล้วก็เขวยสุขทั่วนิรันดรในปรมาตมันนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปรมาตมันนั้นมีอะไรบ้าง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 อสมเราจึงมักตั้งอยู่ใกล้แม่น้นําลำธานข้วยหน้องครองบึงเสมอการอาบน้ำเมรมีจุดประสงค์เพื่ออะไรบ้างประการแรกก็เพื่อทํราระกายให้สะอาดเพื่อการที่สองก็เพื่อทําระกายให้สะอาดเพราะเมื่อกายสะอาดดีแล้วกาก็ย่อมจะปลอดโปร่งสบายสะอาดไปด้วย นอกจากอาบน้ำชำระ ก, กายแล้วยังมีอะไรอีกหลังจากนั้นก็เอาขี้เท้ามาทาจนทั่วตัวอ้าแล้วกันทำไมท่านจะต้องทำทาแปลกใจด้วย ต้องมท่านอาบน้ำชำระ ก, กายสะอาดดีแล้วทำไมต้องเอาขี้เท้าทาตัวด้วยจะไม่เป็นการทำให้ร่างกายสกรปรกไปกว่าเดิมอีกเหรอถ้าบองแต่ผิ้เผินอาจจะเป็นไปอย่างที่ท่านว่าแต่ความเป็นจริงนั้นตรงกันข้ามตรงกันข้ามยังไงขี้เท้านั้นน่ะเป็นสิ่งสะอาดบริสุทธิ์ยิ่กว่าสิ่งใด ก็ เ, เป็นสิ่งที่ได้รับการชำระด้วยพระอคตีเมื่อเอาขี้เถ้ามาถาตัวจะทําให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายยิ่งกว่านั้นที่เถ้ายังช่วยรักษาความสะอาดของร่างกายได้ด้วยรักษาความสะอาดของร่างกายได้ถูกแล้วช่วยดับกลิ่นเหมือใครเลื้อยยุง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 ขี่เท่าจะเป็นเครื่องเตือนให้เราทราบว่าแม้ชีวิตร่างกายของเราดีในที่สุดก็กลายเป็นที่เท่าเหมือนกันการเอาขี่เท่าขาตัวจึงเป็นเครื่องเตือนให้เราทอมตัวอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างก่อเทพเจ้าไม่เกิดความปฏิพัฒน์ผูกพันในกาย นับประมีเหตุผลน่าฟังทีเดียวท่านผู้ทรงพระนอกจากนี้มีการปฏิบัติยังไงกันอีกในด้านการบริโภคอาหารสัญญาสีจะ บ, บริโภควันละหนึ่งครัง้งสัญญาสีจะ บ, บริโภคอาหารวันละหนึ่งครัง้งถ้ามีศรัทธาแก่กล้า ก็อดอาหารสามวันบางเ็วันบ้างกึ่งเดือนบางอาหารที่บริพกก็ควรเป็นอาหารเลวอะไรที่ว่าอาหารเลวนะเช่นผักดองข้าวฝากลูกเดรยกากข้าวยางสาหร่ายข้าวต้งกํายางยาคูไม้ผลไม้ และก็เงาไมา้ในการไปพิาจากณาก็ควรรับพิจารณาจากเรือนหลังเดียวแม่ได้เพียงคํำเดียวก็กลับออกมาบริโภคคำเดียวแต่อย่างมากไม่ให้รับพิจารณาจากเรือเนเกินเจ็ดหลังนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับการพิจารณาอีกมากมายยกตัวยอย่างสนิทเถอะท่านผู้ทรงโปร ไม่ให้รับพิกษาจากหญิงมีคันไม่รับพิกษาจากหญิงที่กำลังให้ลูกดูดนมไม่รับพิกษาจากที่มีสุนัขอยู่ด้วยแม้ในการบริโภค ก, ก็ต้องพิจนบริโภคแต่นางบริโภคยังคนทั่วไปไม่ได้รู้สึกว่าท่านมีข้อวัตะปริบัต ท, ที่น่าเลื่อมใสมากทีเดียวนอกจากนี้มีอะไรอีกไหม ยังมีอีกมากทีเดียวท่านสารกยายบุตรพระเจ้าใครจะขอรับฟังในด้านเกี่ยวกับอาหารสัญญาสีจะต้องบริโภคอาหารตามที่กําหนดไว้เท่านั้นของของเทียวอื่นๆที่เคยติดมาก่อนเช่นมาพรูก็กต้องลดหมดในด้านเกี่ยวกับสฟร์กพก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 แต่ข้าพเจ้าเคยเห็นสัญญาสีบางพวกไม่โกนผมแต่ก้าผมเป็นขมวดไว้ข้างบนบ้างคว้นเป็นเกลียวเกลียวห้อยย้อยลงมาบ้างสัญญาสีพูดนั้นนะ่ะไม่ใช่ผัวที่มาจากวัณหพามแต่มาจากวัณะอื่นๆเช่นแพทย์สูตรแต่ข้อวัตระปฏิบัติอื่นๆก็เป็นแบบเดียวกัน จะต้องใช้รองเท้าทำด้วยไม้เท่ากันจะใช้รงเท้าทำด้วยหนังสัตว์ไม่ได้ไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนสัญญาสีต้องนำใบขาทั้งสามมีไม้เ้าเจ็ดป้องหม้อน้ำของเหลืองและหนังเสือไปด้วยในระหว่างเดินทางจะหยุดพักในสถานที่ที่มีคนอยู่ไม่ได้นอกจากนี้ ยังมีข้อปฏิบัติทางปริญอยอีกมากซึ่งขา้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรหนให้หมดสิ้นได้เทาที่ท่านบรรยายมาเนี่ยก็นับว่าเป็นหลักปฏิบัติใหญ่ที่น่าสนใจพอแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องการครอบปริญอยใดๆแต่อยากทราบว่ามีสิ่งใดบ้างหรือไม่ที่ท่านจะต้องเคารพบูชามีสีท่านสาคกยุตอะไรท่านจะสงผลไฟ